บุกทูแปดสิบสามอกดรีอดีตการสามอิสเท็มโทรีโทรศัพท์เทเลโฟนี <Tele phone. S 2> ดิฉันโทรศัพท์แล้วมีเทลโฟนส ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมามีโทรศัพท์และทุกทันทนีถาม ด, มดิฉันถามแล้วมีถามดิฉันได้ถามเสมอมีชี้อันถามดิษฐ์เล่า รัก conti ดิฉันเล่าแล้ว mi racconti ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว mi racconti la tutta istoria เรียน studi ดิฉันเรียนแล้ว mi studi ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลยมิสตูดิส i ทุตันเวสเปรอรทงานบอี่ดิฉันทำงานแล้วมิลาบอริสดิฉันทำงานทั้งวันเลยมิ Laboris และทุตันตากรรับประทาน มันจ <Mang i S 1> ิดิฉันทานแล้วม <mang> ีมันจิสดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วมีมันจิสละทุตันมันจอน